ต่อไปเป็นนิทานชาดกเรื่องควางห้าสีครับในนิทานชาดกส่วนมากเนี่ยมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกะตะเวทีการสํานึกบุญคุณของผู้ที่มีต่อตนแล้วก็สอนให้คนเรามีสัจยะยึดมั่นต่อความกตัญญูเป็นหลักสําคัญคนที่กตัญญูอ่าหรือว่ารู้จักเคารพในความดีของผู้ที่มีต่อตนเองนั้นก็มักจะ ได้รับบุญสนองในภายหลังไม่ช้าก็เร็วในอดีตการมีกวางตัวหนึ่งลักษณะสีกายและรูปร่างงดงามกว่าบรรดากวางทั้งหลายในป่าเดียวกันกล่าวคือมีสีกายห้าสีมีเขาสีขาวดุดสำลีหรือว่าปุยฝ้ายมีท่วงทีสงา่าดุดพญากวางอาศัยอยู่ในป่าใกล้ๆกรุงพาราณสีกวางงาม ตัวนี้มีมิตรที่ถูกคอคุ้นเคยกันเป็นอันดีในป่าแถบนั้นก็คือกาดําซึ่งหากินอยู่ในป่าเดียวกันเหตุที่กวางกับกาดําคบกันได้สนิทสนมก็เพราะต่างฝ่ายต่างมีจิตใ จ, จต้องกันแล้วก็มีจิตใ จ, จเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ ก, กันไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ที่เล็กกว่าเหตุนี้ทั้งกวางผู้มีกายสีประหลัดและก็กาสีดําสนิทก็คบหา ออกเที่ยวเตร่หากินอยู่ในป่าด้วยกันเป็นนิจสินครันอยู่มามีชาวนาคนนึงจากหมู่บ้านเล็ ก, ลกๆใกล้เมืองพาราสีด้านด้ น, ดนเข้าไปในป่าเพื่อจะเสาะหาไม้ชนิดนึงมาทาเควียนแต่ว่าโชคร้ายในตอนขากลับขณะนั้นเป็นเวลาตะวันตกดินแล้วชาวนาผู้ไม่สันทัดในหนทางในป่านั้นก็ตกลงไปในแม่น้าอันเชี่ยวกรากสายหนึ่ง ด้วยความที่ว่ายน้ำไม่เป็นและอารามตกใจก็ร้องเรียกให้คนช่วยเสียงหลงโดยไม่ทันเฉลียวใจว่าในป่าเปลี่ยวอย่างนั้นจะมีมนุษย์ที่ไหนมาช่วยเหลือได้นอกจากจะส่งเสียงขอความช่วยเหลือเอ็ดอึงไปแต่ก็ยังนับว่าชาวนาผู้นั้นยังไม่ถึงคาดจะบังเอิญให้กวางห้าสีได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้ช่วยเหลือกวางก็รีบวิ่งมาที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้น ขันเห็นชาวนาผู้เคราะไรลอยคอผุปโปล่ผุปโปลอยู่ในแม่น้ําใกล้จะจมแหล่ไม่จมแหล่ควางก็ไม่รอช้ากระโจนลงไปในน้ําอันเย็นเฉียบสายนั้นทันทีแล้วก็พยายามช่วยเอาชาวนาผู้เคราะร้ายคนนั้นขึ้นมาจากแม่น้ําได้แม้จะทุลักทุเล ย, ยังไงควางก็พยายามแบกร่างของชายชาวนาเอาไว้บนหลังลากเอาชายผู้นั้นขึ้นมาจนพ้นฝั่งแม่น้ําได้อย่างเหน็ดเหนื่อย ชาวนาก็กล่าวคำขอบคุณต่อควางห้าสีด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโอ้แมท่านมีพระคุณต่อข้าพเจ้าเหลือเกินข้าพเจ้าไม่อาจจะลืมบุญคุณครั้งนี้ของท่านได้ข้าพเจ้าจะยินดีทำทุกอย่างเพื่อสนองคุณท่านขอให้บอกมาเถอะกวางใจดีก็สายหัวไปมาแล้วก็บอกว่าสหาหผู้ปูขร้ายเอ้ยท่านไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณเราหรอกขอแต่เพียงอย่างเดียวที่ข้าพเจ้าต้องขอร้องท่าน ชาวนาก็รีบตกปากรับคําทันทีอโปรดบอกมาเลยท่านกวางผู้น่าสารเสริญข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามที่ท่านขอร้องทุกประการเออข้าพเจ้าขอเพียงแต่ว่าเมื่อท่านเข้าไปถึงเมืองแล้วอย่าได้เอ่ยปากเล่าถึงตัวข้าพเจ้าหรือบอกให้ใครทราบว่าข้าพเจ้าอยู่ในป่านี้เป็นนั่นขัดความข้อนี้เท่านั้นที่ข้าพเจ้าขอร้องท่านเพราะข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะให้ใครๆรู้ว่าในป่านี้มีกวางเช่นข้าพเจ้าอยู่ ชายชาวนาก็รับคําแต่ก็ยังแครงครางใจอยู่ก็เอ่ยปากซักถามข้าพเจ้าสาบานมันจะไม่บอกใครให้ทราบหรือแม้แต่ลูกเมียของข้าพเจ้าเองแต่ขอให้ข้าพเจ้าได้รับทราบจากท่านไม่บ้างสักนิดเพราะเหตุใดหรือท่านจึงไม่อยากให้ใครทราบว่าท่านอยู่ในป่านี้เออคือถ้าหากว่าท่านสังเกตดูลักษณะของข้าพเจ้าเสียก่อนข้าพเจ้าก็อาจจะไม่ต้องบอกได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด กวางก็ยืดกายขึ้นเต็มตัวเพื่อจะอวดโฉมให้ชาวนาได้เห็นโดยถนัดครั้นชาวนาเพ่งมองรูปลักษณะของตนเองอยู่นานก็ยังทำท่าว่ายังไม่เข้าใจอยู่ดีกวางงามก็อธิบายว่าเออท่านจงสังเกตให้ดีว่ากวางอย่างข้าพเจ้านี้มีลักษณะพิเศษยากที่จะหากวางใดในป่านี้รู้ว่าป่าอื่นเทียบได้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วรูปลักษ แห่งกายของขบ aja เขาย่อมเป็นที่ต้องการของมนุษย์ใจโหดบางคนอยู่ถ้ามนุษย์พวกนี้รู้ว่ามีควางเช่นขพเจ้าเขาคงจะยกพวกพากันมาล่าตัวขพเจ้าเป็นแน่ขพเจ้ารู้จักจิตใจของมนุษย์บางจําพวกเหล่านี้ดีจึงได้พยายามหลบมาซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเปลี่ยวแห่งนี้ไม่ให้ใครได้มีโอกาสมาพบเห็นโอ้ยถ้าเป็นเช่นนั้นขพเจ้าขอให้สัตว์ปฏิยานว่า ข้าพเจ้าจะไม่ปริปากพูดเรื่องของท่านในเข่าหูผู้ใดเลยเป็นอันขาดรับปากอย่างแข็งแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะอำลากลับเข้าเมืองการเวลาล่วงมาชาวนาผู้นั้นก็ยังรักษาวาจาสัตว์ที่ได้ให้ไว้แก่กวางผู้มีบุญคุณโดยไม่ยอมปรีปากเล่าให้ใครฟังเลยแม้แต่ลูกเมียของตัวเองในเรื่องที่เขาได้ไปพบกวางห้าสีตัวนี้เข้าในป่าแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากกวาง แต่ต่อมาไม่ช้าก็ถึงการเวลาที่ควางห้าสีจะต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมโดยเหตุบังเอิญที่วกากัคษ์แห่งกรุงพรรณนสีสมัยนั้นทรงสุบินประหลาดในพระสุบินนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นควางประหลาดตัวหนึ่งมีสีกายถึงห้าสีมีขาวสีขาวดุดปุยฟ้อยเพราะความงามน่ารักของควางตัวนั้นทําให้พระองค์ทรงเกิดความปรารถนาอยากจะได้ควางนั้นมาเป็นสมบัติของพระองค์เหตุนี้พรทรงตื่นบรรทม เสร็จแล้วก็มีรับสั่งให้คารัศมิพานผู้ใกล้ชิดเข้ามาเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าเออเมื่อคือนเนี่ยเราฝันประหลาดนะในฝันเนี่ยเราได้พบกวางตัวหนึ่งมีสีกายถึงห้าสีมีเขาโค้งงามสีขาวดุดปุยไยกวางตัวนั้นอยู่ใกล้กับสายตาเราชัดเจนเหลือเกินเราจําลักษณะของกวางตัวนี้ได้อย่างแม่นยำติดหูติดตาเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อว่ากวางลักษณะงามประหลาดดังในฝันของเราเนี่ย จะต้องมีตัวตนอยู่อย่างแน่นอนแล้วก็จะต้องอยู่ไม่ไกลาจากอาณาจักรของเรานี่แหละเมื่อรับสั่งจบก็ทรงเห็นว่าพวกขราชบริพารยังเงียบอยู่ไม่ได้เอ่ยทูลออกความเห็นแต่ประการใดพระองค์ก็รับสั่งต่อไปอีกเออเรายินดีจะให้รางวัลอย่างงามแก่ผู้ที่สามารถจะนำควางตัวนี้มาให้เราหรือว่าชี้สถานที่ที่ควางตัวนี้อยู่ขอให้พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบออกสืมหาโดยพร้อมเพียงกันผู้ใดพบ ผู้นั้นจะได้รับรางวัลตอบแทนจากเราอย่างงามทีเดียวด้วยพระดํารัสที่ว่านี้ข่าวเรื่องควางห้าสีในพระสุบินของกษัตริย์ก็ค่อยๆแพร่กระจายไปสู่ภายนอกโดยทั่วบ้านทั่วเมืองฉะนั้นในไม่ช้าข่าวนี้ก็รู้ไปถึงหูชาวนาผู้ที่มีเหตุจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับควางห้าสีโดยบังเอิญเข้าจนได้ชาวนาก็เลยคิดว่าโอกาสที่เขาจะได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่จากพระราชาครั้งนี้ คงจะเป็นโชคบันดาลให้เขาอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าเขาขืนรักษาคํามั่นหรือว่าสัจจะที่ให้ไว้กับกวางห้าสีแล้วก็เท่ากับเขาปล่อยให้โชคมหาสารของเขาในหลุดลอยไปเขาควรจะได้และเขาก็ไม่ควรจะคิดถึงความกตัญยูต่อสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าเขาได้เงินก้อนนี้จากพระราชาต่อไปก็จะได้รับความสบายไม่ต้องลําบากตากตามทานาอย่างนี้อีกเป็นแน่เขาก็เริ่มคิดคิดถึงข้อดีข้อเสีย แต่ในที่สุดความละโมบก็เข้ามาครอบงําำมีอํานาจบังคับใจให้เขาให้คิดไปในทางชั่วทันทีเขาก็รีบตรงขอเข้าเป้าพระราชาเพื่อกราบทูลเรื่องกวางห้าสีขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้พบกวางห้าสีนี้แล้วพเพื่ะข้าพระพุทธเจ้าจะขออาสาเป็นผู้นําไปยังที่อยู่ของกวางในสุบินของพระองค์ณพระเจ้าค่ะ ด้วยประการชนนี้พอเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นชาวนาผู้นั้นก็เป็นผู้นําขบวนเสด็จของพระราชามุ่งตรงไปที่ป่าที่ควางตัวนั้นอาศัยอยู่ด้วยจิตละโมบอย่างแรงของเขานั่นเองและเมื่อขบวนบรรลุถึงจุดหมายที่เขาเคยได้รับความช่วยเหลือจากกวางตัวนั้นพระราชาก็ได้ทอดพระเนตรเห็นกวางประหลาดห้าสีซึ่งตรงกันในสุบินของพระองคอ์สมพระราชาหฤทยัย ขณะนั้นควางห้าสีกำลังยืนและเล็มใบไม้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจะหนีก็ไม่ทันแล้วด้วยขบวนเสด็จล้อมหน้าล้อมหลังเต็มไปหมดใกล้เข้ามาทุกทีควางไม่ได้เฉลียวใจมาก่อนเอาวันนี้จะมีภัยมาถึงตนก็หยุดชะงักเบึ่งตามองมายังองราชาแล้วก็ขบวนเสด็จด้วยความโงโใจแต่ครั้นพอได้เห็นชายชาวนาผู้ขี่ม้านำขบวนมาข้างหน้าควางก็เข้าใจเหตุการณ์ได้ทันที พระราชาทรงประกาศร้องห้ามมาให้เหล่าทหารและข้าราชบริพารของพระองค์ทำร้ายกวางก่อนที่พระองค์จะลงจากหลังมา้าแล้วก็เสด็จดำเนินเข้าไปทอดพระเนตรกวางอย่างใกล้ชิดกวางประหลาดห้าสีมาเห็นอย่างนั้นก็เลิกล้มความตั้งใจที่คิดจะหนีอุตสาแข็งใจ ย, ยืนสู้หน้ากับภัยที่จะมีมาอย่างไม่สตทสถานพระราชาจึงกด้รับสั่งอุทานว่าโอ้กวางตัวนี้ช่างงามซะนี่กระไร ควรที่เราจะได้นําเข้าไปเลี้ยงไว้เป็นสีรษะแก่พระราชอุทยานไม่ควรที่จะทําทลายหรือว่ารบกวนจนทําให้มันต้องหนีตเตลิดเปิดเปิงไปแต่ก่อนที่พระองค์จะได้ทรงมีรับสั่งให้ทหารพรานที่ตามเสด็จมาค่อยๆทําการล้อมจับกวางตัวนี้นั้นกวางห้าสีก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าก็คือกวางที่พระองค์ต้องพระประสงค์พระองค์จะนำข้าพระพุทธเจ้าไปฆ่าไปแกงอย่างไรก็เชิญ เชิญพระเจ้าคะ่ะแต่ก่อนอื่นข้าพุทธเจ้าใครจะขอทราบว่าใครหนอที่เป็นผู้กราบทูลพระองค์ว่าข้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระราชาก็ทรงผินพระพักไปยังชายชาวนาที่กําลังยืนก้มหน้ากระมิกะเมียนแล้วก็เตรียมจะหลบเลี่ยงไม่ยอมประจันหน้ากับกวางเสร็จแล้วพระองค์ก็มีรับสัง่งนั่นไงล่ะคนที่รับอาสา พ, พาข้ามาพบเจ้าชายชาวนาก็สะดุ้งยืนชะงักนิ่งขณะที่กวางเดินเข้ามาใกล้ตน ทั้งสำนึกในความผิดของตนที่ละเมิดคําสัญญาเกิดความประมาทกวางประหลาดตัวนั้นก็กล่าวว่าเราไม่นึกเลยว่าท่านจะกลับคําสัตย์ที่ให้ไหว้ต่อเราเช่นนี้เสียแรงที่เราได้ช่วยชีวิตท่านไว้เมื่อครั้งกระโนนท่านคงจะจําวันที่ท่านตกลงไปในแม่น้ําสายนี้ได้ท่านร้องขอความช่วยเหลือและเราก็เป็นผู้ช่วยชีวิตท่านไว้บัตรนี้ท่านตอบแทนคุณเราด้วยการกระทําอย่างนี้หรือ ชายชาวนาผู้ละโมบก็รู้สึกอับอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีปากคอสัน่นเมื่อสำนึกถึงความไม่ซื่อสัตย์ของตัวก็ไม่สามารถจะกล่าวตอบโต้กวางอย่างไรดีก็ได้แต่ยืนก้มหน้านิ่งพระราชาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จมาต่างพากันตะลึงงนันในที่สุดพระราชาก็ตรัสถามกวางว่าจริงเหรอที่เจ้าว่าเจ้าเป็นผู้ช่วยชีวิตชาวนาผู้นีไวเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ และข้าพระพุทธเจ้าได้ขอให้เขาให้คำมั่นสัญญาแก่ข้าพระพุทธเจ้าว่าจะไม่บอกใครทั้งสิน้นว่าข้าพระพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในป่านี้เขาก็รับคำดีพระราชาทรงสักสายไล่เลียงทั้งกวางและชาวนาครันได้ความจริงแล้วก็ทรงพิโรธชาวนายิ่งนักก็ตรัสบริภาษเชาวนาเจ้าเป็นคนสารเลวที่สุดไม่รู้จักบุญคุณเขาผู้ช่วยเหลือชีวิตเจ้าคิดเอาแต่ได้ ใจละโมบในทรัพย์สินไม่คำนึงถึงชีวิตผู้อื่นแม้กระทั่งผู้มีบุญคุณต่อเจ้าเจ้าก็ยังคิดคดนี่ถ้าหากว่าเจ้านำคนอื่นมาซึ่งไม่ใช่ตัวข้าแล้ววางตัวนี้ก็ต้องสิ้นชีวิตเพราะน้ำมือเจ้าคนอย่างเจ้านี่เลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเสียอีกชาวนาก็คุกเข่าลงอ้ได้โปรดเถอพระยาค่าข้าพระพุทธเจ้าผิดไปแล้วข้าพุทธเจ้าจะไม่ยอมให้ความละโมบครอบงำข้าพระพุทธเจ้าอีกเป็นครั้งที่สอง ขอพระองค์ทรงโปรดไว้ชีวิตข้าพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเถอพระเจ้าค่ะเอาเธอข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่จ่าตัวเจ้าไปจองจําในคุกเสีเข็ดหลบับมิฉะนั้นจะเป็นเยี่ยงอย่างความประพฤติอันเลวสามมังคุต่อไปจัดแล้วก็ทรงหันมารับสั่งแก่วางบอกว่า<อ>เจ้าเป็นสัตว์อันประเสริฐนะได้เสี่ยงชีวิตช่วยผู้อื่นโดยไม่คานึงถึงภัยของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตให้เจ้าอยู่อาศัยในป่านี้หากินในป่านี้ต่อไปโดยอิสระ เราจะออกกฎห้ามไม่ให้ใครทำลายชีวิตสัตว์ในป่านี้ทั้งหมดถ้าหากว่าเจ้าอยากจะไปอยู่ในพระราชอุทยานของเราเราก็ยินดีรับเจ้าแล้วจะให้การเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีควางห้าสีน้ำตาคลอย่อตัวลงรับแทนคำตอบพระราชาก็รับสั่งให้ยกขบวนเสด็จกลับ วันนี้จะเล่านิทานเกาหลีเรื่องตับกระต่ายให้ฟังครับเย็นวันหนึ่งพญามังกรซึ่งพำนักอยู่ในพระราชวังอันสวยงามใต้ท้องทะเลเกิดมีอาการปวดท้องขึ้นมาพญามังกรก็นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนแท่นมณีแวดล้อมไปด้วยมาเหสีเจ้าชายและเจ้าหญิงซึ่งอยู่เฝ้าดูอาการด้วยความมิตกกังวล ตลอดคืนอันยาวนานนั้นพญามังกรก็ร้องครวญครางอยู่ตลอดเวลาและเสียงครวญครางนั้นทําให้ทะเลเป็นระลอกคลื่นตอนที่จะรุ่งอรุณพญามังกรก็เรียกประชุมขราชบริพารแล้วก็พูดบอกว่าโอ้ยข้าเจ็บปวดมากเหลือเกินและบางทีข้าอาจจะตายเมื่อคืนข้าพยายามกินยาทั้งหมดเท่าที่มีในอาณาจักรของข้า แต่มันก็ไม่อาจจะระงับความเจ็บปวดนั้นได้มีใครบ้างล่ะที่สามารถจะหายามารักษาอาการปวดของข้าได้ลิ้นทะเลผู้เป็นหัวหน้าหมอประจําราชสํานักก็ได้คํานับอย่างต่ําเลยแล้วก็ออกความเห็นว่า อ, อการที่จะรักษาให้หายขาดได้นั้นก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นพระเจ้าข้าคือต้องเสวยตับกระต่ายต้มฮะ ตับกระต่ายต้มเออดีดี ด, ดีหายนะแต่ว่าใครล่ะที่จะไปเอาตับกระต่ายมาต้มเป็นยาให้ข้าปราฉนาก็อาสาบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าจะแทงกระต่ายด้วยดาบยาววนจมูก ข, ของข้าพระพุทธเจ้านี้แหละพระเจ้าค่ะแล้วก็จะคาบมาด้วยฟันอันแหลมคมของข้าพระพุทธเจ้าพญามังกรหนกคํำระไม่ได้จะต้องนํากระต่ายเป็นเป็นมา เจ้าทำไม่ได้แน่ปลาหมึกยักษ์ก็อาสาขึ้นมาบ้างข้าพระพุทธเจ้าจะจับกระต่ายมาด้วยแขนอันยาวของข้าพระพุทธเจ้าเองและข้าพระพุทธเจ้าจะส่งเนื้อสดๆมาถวายพญามังกรหรือคำรามออกมาอีกไม่ได้แขนอันแข็งแรงของเจ้าจะทำให้ร่างอันแบบบางแล้วก็ตับกระต่ายนี่เหลวแหลกไปหมดเงียบกันไปอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดเต่าก็คลานออกมาแล้วก็พังกหัวลงจรดพื้นสามครั้งแล้วก็รับอาสาขึ้นว่าการที่ฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกข้าพระพุทธเจ้าสามารถจะนำกระต่ายมาได้โดยให้นั่งมาบนหลังแล้วก็จะนำมาอย่างปลอดภัยที่สุดพยากาเออดีดี ด, ดีพยามังกรยอมรับด้วยความยินดีขจําจได้ว่าปู่ของเจ้าในสมัยนมนะ ได้เคยวิ่งแข่งกระต่ายมาแล้วแล้วก็ได้รับชัยชนะเจ้าเดินทางได้ทั้งบนบกและในน้ำจึงนับว่าเหมาะมากจงไปเอากระต่ายมาให้ขา้าข้าคงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับไปจนกว่าจะได้กินตับกระต่ายแต่เพื่อให้เจ้าทำงานนี้สำเร็จโดยเรียบร้อยข้าจะให้รูปเขียนของกระต่ายไปด้วยจะได้ไม่ผิดตัวเดี๋ยวจะไปจับอย่างอื่นมา พญามังกรก็สั่งให้ช่างเขียนประจําราสํานักเขียนภาพกระต่ายให้เหมือนตัวจริงอย่างที่สุดเพื่อให้เต่าได้ใช้เป็นคู่มือตรวจสอบสัตว์ที่ต้องการได้ถูกต้องเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนกระต่ายที่มีชีวิตทีเดียวเต่ารับภาพเขียนมาแล้วก็ออกเดินทางว่ายขึ้นสู่ผิวน้าแล้วก็ว่ายโต้คลื่นลมเข้าหาฝั่งเดินทางเข้าไปในป่าและภูเขาเพื่อค้นหากระต่าย เต่าก็คลานชมนกชมไม้เรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงเขาวลูกหนึ่งมีสัตว์ต่างๆมากมายมีควางมีหมาป่าหมีหมูป่าเสือลิงช้างสุนัขจิ้งจอกแต่ไม่มีกระต่ายเต่าก็ยื่นหัวออกมาจากกระดองมองดูรอบๆตัวและในที่สุดก็แลเห็นสัตว์ตัวหนึ่งรูปร่างน่ารักคล้ายๆกับภาพเขียนที่นํามาด้วย เต่ามองไปที่สัตว์ตัวนั้นแล้วก็หันมาดูภาพเขียนจนเชื่อแน่ว่าสัตว์ตัวนั้นคือกระต่ายที่มันต้องการเต่าก็รู้สึกยินดีมากก็มองจ้องกระต่ายซึ่งกําลังและเลมญ้าอยู่อย่างสบายอารมณ์เสร็จแล้วเต่าก็ร้องทักกระต่ายโอู้สวัสดีกระต่ายฉันได้ยินชื่อเสียงของเธอมานานแล้วแล้วก็อยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งวันนี้ฉันได้มาพบก็เลยทำให้ฉันดีใจมากกระต่ายก็บอกว่า ฉันนะ่ะท่องเที่ยวมาทั่วผืนแผ่นดินแล้วได้พบเห็นสิ่งต่างๆมามากจะไม่เคยเห็นอะไรที่จะน่าเกลียดเท่าท่านเลยเท้าก็ไม่มีนิ้วคอก็ยืดเข้ายืดออกเหมือนกับเล่นซ่อนหาหลังก็แตกๆ แ, แบนๆ แ, แม่มันหน้าหัวเราะเสจริงครั้งแรกอะ่ะฉันคิดว่าเป็นชามไม้เสอีกเออแล้วท่านเป็นตัวอะไรล่ะอย่ากโกรธเลยนะที่ฉันพูดแบบเนี้ยความจริงเป่านะ่าโกรธโมโหแล้วฉุนมาก ที่ได้ยินคำพูดสศประมาทอย่างนั้นแต่ก็พยายามอดรั้นเอาไว้แล้วก็บอกว่าฉันชื่อเต่าที่หลังฉันแบนก็เพื่อจะได้ไม่จมสามารถลอยอยู่บนคลื่นได้ฉันเป็นวีรบุรุษในน้ำเป็นผู้นําของสัตว์ทะเลทั้งหมดฉันคุยได้เต็มปากเลยว่าฉันเป็นทั้งทหารและพลเรือนอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้าว่าแต่เธอเธอที่คุยว่าท่องเที่ยวมาทั่วผืนแผ่นดินน่ะ เธอเคยเห็นป้ายท้องทะเลแล้วหรื อ, อยังป้ายท้องทะเลนะ่ะมีสวนที่สวยงามมีฝูงปลาหลากชนิดสวยงามมากเธอเคยเห็นวังพญามังกรแล้วเหรอนะ <c oughs> คงไม่เคยหรอกไม่มีช่างเขียนคนไหนจะสามารถวาดความงามได้ถูกต้องถ้าหากว่าเธอขี่หลังฉันไปนะฉันจะพาเธอไปดูของประหลาดต่างๆและพญามังกรก็คงจะต้อนรับเธอในฐานะเจ้าหญิงทีเดียวละ เธอจะได้กินอาหารอันอร่อยแล้วก็ได้เรืองระบำกับเจ้าชายในวังนั้นกระต่ายเกิดอยากเห็นความวิจิตพิสดารของวังพญามังกรขึ้นมาก็กระโดดยิ่งไปนั่งบนหลังเต่าเต่าก็พาดำลงไปใต้ทะเลพาไปเฝ้าเจ้าทะเลกระต่ายถูกทหารลากถูรูดถู ก, ก, ถ ก, กังเข้าไปเฝ้าพญามังกรอย่างไม่มีพิธีรีตองอะไรทำให้กระต่ายรู้สึกตกใจมากตัวสั่นเทาเลย แล้วยิ่งได้เห็นหน้าตาของพญามังกรเข้าด้วยแล้วก็ยิ่งทวีความหวาดกลัวมากขึ้นพญามังกรก็เอ่ยขึ้นว่าอ่าวังนี่นะเจ้ากระตายข้าคือเจ้าแห่งทะเลและเจ้าเป็นเพียงสัตว์เล็กๆตัวหนึ่งบนภูเขาเวลาเนี่ยข้าเกิดไม่สบายมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในท้องไม่มียาอะไรที่จะรักษาได้นอกจากจะใช้ตับของเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าจึงได้ให้ไปนาเจ้ามา จะควรจะภาคภูมิใจในความตายของเจ้าเพราะเมื่อเจ้าตายบริวารของข้าก็จะใช้ผ้าไหมคลุมหุ้มหอ่อร่างของเจ้าประดับด้วยไข่มุกและแก้วมณีฝังไว้ในสวนอัน ง, งดงามหลังพระราชวังของข้าเจ้าจะตายอย่างมีเกียรติดีกว่าที่จะไปตายโดยเป็นเหยื่อของเสือหรือว่านายพรานข้าขอสัญญาว่าจะให้เกียรติแก่เจ้าอย่างสูงที่สุดเอาละเจ้าควรจะตายอย่างเป็นสุขได้แล้ว พญาแังกรนก็สั่งให้ผู้รับใช้จัดการกับกระต่ายเพื่อจะเอาตับแต่กระต่ายก็ได้ชิงอ้อนวอนข้าแต่พระองค์ขอได้โปรดให้โอกาสแก่หม่อมฉันกลับไปลาญาติพี่น้องตายสักหน่อยเถอะแล้วก็อีกประการหนึ่งตับของหม่อมฉันนะใครๆก็อยากจะได้เอาไปทำยาผู้คนบนโลกมนุษย์ได้พากันมาขอตับของหม่อมฉันไปทำยากันเสมอซึ่งทำให้หม่อมฉันเดือดร้อนลาคานใจมาก จึงได้ควักเอาตับไปซ่อนไว้ที่อื่นไม่ได้เอาติดไว้กับตัวเมื่อม่อมฉันมากระเตาก็เลยไม่ได้นึกถึงตับก็คงอยู่บนโลกมนุษย์นั่นเองถ้าหากพระองค์จะกรุณาม่อมฉันจะขอกลับขึ้นไปเอามาถวายครั้งแรกพยามังกรก็ไม่เชื่อว่ากระต่ายจะควักเอาตับเก็บไปไว้ที่อื่นได้แต่กระต่ายฉลาดอ้างเหตุผลต่างๆนาน า, นาจนพยามังกรหลงเชื่อยอมให้กลับแล้วก็มอบไข่มุกเป็นที่ระลึกให้อีกด้วย กระต่ายรับของขวัญแล้วก็ขึ้นมานั่งบนหลังเต่าแล้วออกเดินทางทันทีเมื่อมาถึงฝั่งกระต่ายก็รู้สึกดีใจมากที่หลุดพ้นมาจากการถูกฝังใต้ทะเลและพ้นจากการเป็นอาหารของพญามังกรความดีใจก็ทำให้มันกระโดดโลดเต้นไปมาจนเต่ารู้สึกราคาญ ร, ร้องเตือนให้ไปเอาตับมาเร็วๆกระต่ายก็หัวเราะอย่างเย้ยหยันโ <c oughs> ตเอ้ยเต่าเอ้ยท่านเป็นเต่าใช่ไหมลนะ่ะ ฉันเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองที่เขาพูดก็ว่าโง่เหมือนเต่าเนี่ยก็แบบนี้แหละอ่าแบบท่านนี่แหละท่านก็คงเชื่อเหมือนกาลซีว่าฉันสามารถจะควักเอาตับออกมาแล้วยัดเข้าไปเก็บไปที่เดิมได้อีกเหมือนกับของเล่นฉันคิดว่าจะโง่แต่พยามังกรเท่านั้นที่แท้พวกบริวารก็โง่ไปหมดด้วยเจ้านายของท่านน่ะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวต้องการแต่จะให้ตัวรอดตายไม่ได้คิดถึงชีวิตคนอื่นทําไมไม่คิดบ้างว่าฉันก็ไม่อยากตายเหมือนกัน อันที่จริงเนี่ยฉันควรจะฆ่าแกะซะด้วยซ้ำแต่ยังนึกถึงบุญคุณที่ได้พาไปเที่ยวใต้ทะเลแล้วก็พากลับขึ้นมาโดยปลอดภยัยเพราะฉะนั้นฉันจะยกโทษให้นะท่านจงกลับไปบอกพญ า, ามังกรให้ลืมเรื่องตับของฉันไปซะเลยและไปพบกับความตายด้วยความยินดีเพราะไม่มียาขนานไหนหรอกในโลกที่จะทำให้ชีวิตยืนยองอยู่ได้ชั่วกัลเปลาวสารไม่มีใครพ้นจากความตายได้หรอก กระต่ายพูดแล้วก็หัวเราะ อ, อีกครั้งหนึ่งแล้วกระโดดหายเข้าไปในป่าไม่ออกมาปรากฏกายให้เห็นอีกเลย